<Book> two. สามทีกาการทำความรู้จักบ e ร k e n a ล a นสวัสดีค่ะฮ a l โลสวัสดีค่ะ s ล l ม m a t pagi Selamat siang. สบายดีไหมคะ Apa kabar? คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ Apakah Anda berasal dari Eropa? คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ Apakah Anda berasal dari Amerika? คุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ akah Anda berasal dari Asia? คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ Anda menginap di hotel mana? คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ sudah berapa lama Anda berada di sini? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะร่คอบนี่ไหมคะสนุกค่ะคุณมาพักผ่อนนี่คุณอที่นี่ชไหมคะอบที่นี่ไหมคะ s e n a า g k a h a n น a ี่ sini? คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ <S anda s e ั a n g b น r l i b u r di sini? มาเยนี่ยมดาันี่มาันบะคางนะคะ u n ญจง yllah ันย์คันนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะนี่อล a m ั t s a y ยเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะอ p a k a ะค i t ะ a k a ่ bertemu be ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ a ่่่่่่่่ s aya sudah ada janji sebelumnya ลาก <con> ่อนค่ะดาลาก่อนค่ะ sampai <Da. S 2> La <con> berjumpa lagi แล้วพบกันนะคะ sampai nanti